การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี้ถ้าได้มีการศึกษาวิธีการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วจะเห็นว่าการปฏิบัตินี้ไม่ได้เป็นของยากเย็นอะไรเลยไม่จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติวิเศษอย่างไร ไม่ต้องมีหน้าสี่หน้าไม่ต้องมีแขนมีมือสี่แขนไม่ต้องเหอะเหินเดินอากาศเพราะว่าสิ่งที่จะต้องปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ปุตุชนธรรมดาอย่างพวกเราทั้งหลายสามารถปฏิบัติกันได้ แต่ที่เรารู้สึกว่ามันยากเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ศึกษากันนั่นเองเราไปดูผู้ที่เขาได้บรรลุแล้วเช่นพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเราก็คิดว่าท่านเป็นผู้วิเศษมาตั้งแต่ ก่อนที่ท่านจะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์กันความจริงแล้วก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอาหารหันต์ท่านก็เป็นเหมือนพวกเรานี่แหละเป็นปูุ้ชนธรรมดาที่มีความโลภความโกรธความหลงที่มีความอยากต่างๆเหมือนกันไม่มีอะไรต่างกันเลย ต่างกันก็ตรงที่ว่าท่านมีความสนใจหรือได้ศึกษาวิธีการปฏิบัติที่จะทำให้ท่านได้บรรลุมรรคผลในพานกันเมื่อท่านได้ศึกษาแล้วท่านก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ท่านก็ปฏิบัติไปทำไป พอได้ปฏิบัติไปทำไปผลต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับจนในที่สุดก็ได้รับผลอันยิ่งใหญ่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกพวกเราก็เป็นเหมือนกันเราก็เป็นปตุชนเหมือนท่าน ถ้าเราศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วเราปฏิบัติตามเราก็จะได้รับผลเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะวิธีการปฏิบัติก็เหมือนกันผลที่จะเกิดจากการปฏิบัติก็ต้องเหมือนกันเช่นเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใด เรื่องของการของเวลานี้ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงหลักของเหตุผลเหตุอย่างนี้ให้ผลอย่างนี้ในสมัยพระพุทธการเหตุอย่างนี้ก็จะให้ผลอย่างนี้ในสมัยปัจจุบันเช่นเดียวกันเพราะเหตุไม่ได้เปลี่ยนไปผลก็จะไม่เปลี่ยนไป ผลจะเป็นไปตามเหตุเสมอถ้าเหตุเปลี่ยนไปผลมันก็เปลี่ยนไปเหตุในสมัยนี้ก็คือไม่ปฏิบัติกันผลก็เลยไม่เกิดกันขึ้นมาจึงทำให้คิดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้เกิดผลขึ้นมาแต่ความจริงมันไม่ได้อยู่ที่ได้ได้ปฏิบัติ แต่มันอยู่ที่ไม่ได้ปฏิบัติเมื่อไม่ได้ปฏิบัติผลก็ไม่เกิดขึ้นมาแต่บุคคลใดที่ปฏิบัติบุคคลนั้นก็ได้ผล อ, อย่างครูบาอาจารย์ที่เรากราบไหว้บูชาคารบนักถือที่เรารู้จักกันตั้งแต่พระอาจารย์มั่นหลวงปู่มั่นลงมานี่จนถึงหลวงปู่หลวงตา ต, ต่างๆท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนพวกเราพอท่านได้มีโอกาสได้ศึกษาแล้วท่านปฏิบัติตามในสิ่งที่ท่านได้ศึกษาท่านก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้เช่นเดียวกับในสมัยพระพุทธการดังนั้นสิ่งที่เป็นอุปสรรคสำหรับพวกเรา ก็คือพวกเราไม่ศึกษากันไม่พยายามศึกษาวิธีของการปฏิบัติว่าจะต้องทำอะไรบ้างหรือว่าศึกษาแล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติเท่านั้นเองถ้าเราศึกษาแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องทำอะไรแล้วเราก็ปฏิบัติไปผลมันก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอน ดังนั้นสิ่งที่เราควรที่จะกระทาในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราต้องปฏิบัติอะไรกันบ้างเราก็มาศึกษากันเมื่อศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราต้องทำอะไรเราก็ทำกันไปทากันไปแล้วผลมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองผลมันตามมาเสมอ ตามเหตุที่เรากระทากันถ้าไม่มีเหตุไม่มีการกระทาผลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาไปเรื่อยๆจนเกิดความเข้าใจรู้ว่าจะต้องกระทําอะไรบ้างแล้วเราก็เริ่มกระทํากันไป เมื่อทำกันไปแล้วผลก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเมื่อปรากฏผลขึ้นมาก็จะทำให้เราเกิดมีกำลังจิตกำลังใจมีฉันทะวิริยะอุตสาหะที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นไปเพราะผลจะมากจะน้อยก็อยู่ที่เหตุว่ามากหรือน้อย ถ้าเหตุน้อยผลก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาถ้าเหตุมากผลก็ต้องมากดังนั้นขอให้เราศึกษากันให้รู้ว่าสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งพวกเราก็ได้ยินได้ฟังกันมาจนหูชากันแล้วว่าสิ่งที่เราต้องปฏิบัตินี้ก็มีเพียงสามข้อนี้เอง ไม่ได้ยากเย็นลึกลับเหมือนกับศึกษาวิธีขับยานอวากาศการขับยานอวากาศการขับเครื่องบินนี่จะมีความลึกลับซับซ้อนยากเย็นกว่าการปฏิบัติเพื่อมรกผลนม่พานเสียอีกแต่เขาก็ยังศึกษากันได้เขาก็ขับเครื่องบินกันได้ขับยานอวากาศกันได้ แต่การบรรลุการกระทำเหตุที่จะทำให้เกิดมรรคผลนิพพานกันขึ้นมานี้ซึ่งเป็นของที่ไม่ลึกลับซับซ้อนยากเย็นแต่ประการใดกับทำไม่ได้กันก็เพราะว่าไม่เห็นคุณค่าของผลที่จะได้รับจากการปฏิบัตินั่นเองไม่รู้ว่า ผลที่ได้รับคือมรรคผลนผิพพานนี้เป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้มีแต่มรรคผลนผิพพานนี้เท่านั้นที่จะสามารถดับความทุกข์ใจได้หมดสิ้นไปดังนั้นเราต้อง ศึกษาผลของการปฏิบัติด้วยว่าถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลอะไรเมื่อเรารู้แล้วว่าผลที่เราจะได้รับนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าของเงินทองลาบยุดสรรเสริญสูงส่งขนาดไหนก็ตามก็จะ สู้การได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เพราะราบยศสารเสรญทรัพสมบัติเข้าของเงินทองบุคคลต่างๆนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของพวกเราให้หมดไปได้มีแต่มรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นที่จะดับความทุกข์ใจให้หมดไปได้ที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ ที่จะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเวลาอันยาวนานและจะเป็นต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ศึกษาวิธีการปฏิบัติเพื่อมรกผลนิพพานแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนที่เราได้ศึกษามา ผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติก็ได้บรรลุมผคไม่ผ่านกันได้ดับความทุกข์ใจจนหมดสิ้นไปจากใจได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดยได้ยุติการเกิดแก่เจ็บตายถ้าพวกเราศึกษาพวกเราก็จะรู้ ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราปฏิบัติทำอยู่สามขั้นเท่านั้นเองขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่าทานขั้นที่สองก็เรียกว่าศีลขั้นที่สามก็เรียกว่าภาวนาก็มีสามขั้นนี้ตรงไปตรงมาไม่ลึกลับซับซ้อนแต่อย่างใดข้อที่หนึ่งเรียกว่าทานทานแปลว่าให้ แบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่มากเกินไปเรามีอะไรมากเกินไปเราก็แบ่งปันกันให้แก่ผู้ที่เขาขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเพื่อให้เขาได้มีความสุขเหมือนกับที่เรามีความสุขเรามีเสื้อผ้ามากเกินไปกว่าที่เราจะใช้เสื้อผ้าที่เราเก็บไว้ในตู้เปไน็นเวลา หลายเดือนหลายปีเราไม่ได้ใช้เลยเก็บไว้ทำไมเอาไปให้คนอื่นไม่ดีกว่าเลยเอาไปให้คนที่เขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ไม่ดีกว่าเลยนี่คือทางไม่ได้เป็นของยากเย็นไม่ได้ให้ทำในสิ่งที่เราไม่มีเช่นสมมุติว่าเราไม่มีเสื้อผ้าที่จะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเราก็ไม่ต้องให้ เราไม่มีเงินทองพอที่จะแบ่งให้ผู้อื่นเพราะเราต้องมีเอาไว้สาหรับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องถ้าเราให้ผู้อื่นเราก็จะเดือดร้อนเราก็จะอดอยากขาดแคลนอย่างนี้ก็ไม่ต้องให้แล้วก็ไม่ต้องไปหาเงินหาทองเพื่อมาทำทานการทำทานนี้ให้เราทำในส่วนที่เรามีเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้อง เก็บเอาไว้มีส่วนที่เราไม่ต้องใช้เราก็เอาไปทำทานไปแบ่งปันเพื่อเราจะได้ไม่มีความตนีลดความตนีลดความโลภอยากได้เงินทองหรือเป็นการสกัดกัน้นการใช้เงินทองตามความอยากที่จะเป็นเหมือนกับซื้อยาเสพติด ถ้าเราใช้เงินซื้ออะไรตามความอยากนี้ก็เป็นเหมือนกับไปซื้อยาเสพติดดีๆนี่เองซื้อมาแล้วก็จะไม่อิ่มไม่พอซื้ออะไรมามากน้อยเพียงไรก็จะได้ความสุขชั่วขณะที่ซื้อมาแล้วหลังจากนั้นก็จะหายไปแล้วก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาถ้าเราใช้เงินแบบนี้เราก็จะ ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทองแบบไม่มีวันหยุดวันหย่อนเพราะว่าเราจะอยากใช้เงินซื้อสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆและจะซื้อมากขึ้นไปเรื่อยๆแต่ผลที่ได้จากการซื้อของต่างๆซื้อความสุขต่างๆนี้มันไม่ได้ทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสุขเพิ่มมากขึ้น มีความอยากมีความต้องการน้อยลงไปเลยเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจโดยไม่รู้สึกตัวนี่ก็เป็นเหตุเหตุหนึ่งที่ทบบอกอระเจ้าสอนให้เราทาทานแทนที่เราจะเอาเงินไปซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากก็เอาเงินนี้แหละไปสงเคราะห์ผู้อื่นไปช่วยเหลือผู้อื่นไปช่วยผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยาก เพื่อให้เขาได้อยู่นุ่มเย็นเป็นสุขเหมือนกับเราถ้าเราไม่มีเงินที่จะให้ทาทานเราก็ไม่ต้องทําทานไม่ต้องไปดิ้นนนไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาทําทานเมื่อเราไม่มีเงินเราไม่ได้ใช้เงินมากเกินความจำเป็นเราก็จะ ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทองเราก็จะได้มีเวลามาปฏิบัติทำข้อที่สองและข้อที่สามต่อไปนั่นเองนี่คือเลือกคำว่าทานเป็นของที่ง่ายมากมีอะไรก็แบ่งกันไปเท่านั้นเองขอให้คิดว่าของต่างๆที่เรามีอยู่นี้ถ้าเราจะเก็บเอาไว้ เวลาเราตายไปมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีเราก็ต้องจากเขาไปอยู่ดีแต่จากกันแบบเราไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากการทำจากการเก็บเอาไว้เพราะเราก็ยังจะมีความตะหนีความหวงเราก็จะมีความโลภและเราก็จะมีความอยากที่จะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆ ที่ไม่ได้เป็นความสุขที่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชั่วคราวที่จะทำให้เรามีความอยากซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วเวลาใดที่เราไม่สามารถที่จะซื้อตามความอยากได้เราก็จะเดือดร้อนเราก็จะต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะซื้อสิ่งที่เราอยากซื้อให้ได้แล้วถ้าเรา ไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่สุดเจริญคือไม่ผิดศีลผิดธรรมเราก็จะไปหามาโดยวิธีผิดศีลผิดธรรมก็คือไปทํำบาปไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงอันนี้ก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้ ก็คือการรักษาศีลแต่ถ้าเราไม่เอาเงินไปซื้อของต่างๆตามความอยากถ้าจะซื้อก็ซื้อตามความจําเป็น mm hmm. เช่นถ้าเสื้อผ้าที่มีอยู่นี้ขาดหมดแล้วใส่ไม่ได้แล้วต้องซื้อใหม่อย่างนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นซื้อด้วยความอยากซื้อด้วยความจําเป็นซื้อด้วยเหตุด้วยผลการใช้เงินเพื่อซื้อของที่จําเป็นด้วยเหตุด้วยผลนี้ ไม่เป็นโทษกับก จ, จิตใจเป็นประโยชน์กับร่างกายเพราะร่างกายจำเป็นจะต้องมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่อาหารไว้รับประทานบ้านที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆและยารักษาโรคไว้รักษาโรคภัยไข้เจ็บการใช้เงินเพื่อการบาบัดทุกข์ของร่างกาย เพื่อบำ ร, รุงสุขของร่างกายนี้ไม่ได้เป็นความอยากเป็นความจำเป็นไม่เป็นโทษกับจิตใจเพราะจะไม่ได้ทำให้เกิดความอยากที่จะซื้ออยู่เรื่อยๆจะซื้อเท่าที่เวลามีความจำเป็นที่จะต้องซื้อเท่านั้นเช่นเวลาไม่สบายก็จะซื้อยามาไปโรงพยาบาลแต่เวลาร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ก็จะไม่ไปซื้อยามาไม่ไปโรงพยาบาลเวลาที่ร่างกายมีเสื้อผ้าพอสวมใส่ไม่ขาดแคลนก็ไม่ต้องไปซื้อมาใส่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อมาใส่ไม่มีความอยากที่จะซื้อก็จะทำให้ไม่มีความกดดันในการที่จะต้องไปหาเงินทองมามากๆเพื่อที่จะได้ซื้อสิ่งต่างๆตามความอยาก เมื่อไม่มีความกดดันที่จะต้องหาเงินก็จะทําให้การรักษาศียงนี้รักษาได้อย่างง่ายดายคนที่ต้องดิ้นรนหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากนี้จะรู้สึกว่าถ้ารักษาเสีลแล้วจะหาเงินหาทองไม่คล่องแคล่วไม่ว่องไวไม่สะดวกไม่ง่ายดายเหมือนกับการไม่รักษาเสีย นี่คือเป้าหมายของทานก็คือให้เราจัดการใช้เงินเพื่อซื้อสิ่งต่างๆตามความอยากให้ซื้อเท่าที่จําเป็นถ้าต้องซื้อเพื่อดูแลรักษาร่างกายแล้วก็กำจัดความตเนี่เพราะว่าถ้ามีความตเนี่เวลาที่เราจะต้องจากเงินทองนี้ไปจะจากด้วยความทุกข์ทรมานใจ เสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเราได้ทำทานอยู่เรื่อยๆแบ่งปันอยู่เรื่อยๆเวลาเราตายนี่เราจะไม่ค่อยมีความทุกข์ทรมานใจเพราะเงินทองส่วนหนึ่งก็คือก็ไ ม, ม, ม่มีไม่มากเรามีเก็บไว้เพื่อสำรองไว้เล็กๆน้อยๆพอที่จะดูแลร่างกายเราก็พอแล้วเราก็ไม่มีความตเหน่ไม่มีความหวง พร้อมที่จะจากเงินทองเหล่านั้นไปเวลาตายก็จะตายอย่างสงบตายอย่างสบายแล้วทำให้เราสามารถที่จะปฏิบัติทำข้อที่สองได้ก็คือการรักษาศีลการรักษาศีลก็มีหลายระดับระดับแรกก็คือการรักษาศีลห้าถ้าเราทำทานอยู่อย่างสม่าเสมอ เราก็จะรักษาศีลห้าได้เพราะเราไม่มีความกดดันที่จะต้องหาเงินมามากๆเรามีเงินเหลือใช้เหลือกินมีสามารถที่จะเอาไปแบ่งให้แก่ผู้อื่นได้เราก็จะไม่ต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองด้วยวิธีการทำบาปนั่นเองและเราก็จะมีความเมตตา เวลาเราทำทานนี้เรามีความเมตตาเพราะเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขเราจึงแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้ที่เขาไม่มีกันคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนเราแบ่งปันความสุขเคือเงินทองข้าวของให้กับเขาไป พอเขาได้รับเขาก็จะบรรเทาความทุกข์ของเขาและทำให้เขาได้เกิดมีความสุขขึ้นมานี่แสดงว่าเป็ น, ปนความเมตตาคือมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคืออยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทำของเราเมื่อเรากระทำอย่างนี้เราก็จะไม่อยากกระทำในสิ่งที่ จะทำให้ผู้อื่นเขาเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาเราก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลดไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทําเหล่านี้เป็นการกระทาที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองทำให้ผู้อื่นมีความทุกข์เราก็จะสามารถปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้อย่างง่ายดาย ก็คือการรักษาศีลห้าแล้วเมื่อเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่ศีลที่สูงขึ้นไปกว่าศีลห้าได้ก็คือศีลศีลแปดการที่เราจะต้องรักษาศีลแปดก็เพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ทมขั้นที่สามได้ก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรม การเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบที่เรียกว่าสมถภาวนาและการพิจารณารำต่างๆให้เห็นตามความเป็นจริงของเขาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะสามารถที่จะบรรลุมากผลนิพพานได้ นี่คือการปฏิบัติที่ไม่ยากเย็นอะไรเพียงแต่ว่าจะต้องทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการปฏิบัติอย่างจริงจังๆเท่านั้นคือจะทำแบบพอหอมปากหอมคอไม่ได้เพราะถ้าทำแบบพอหอมปากหอมคอก็จะได้ผลไม่มากเมื่อผลไม่ปรากฏมากก็จะไม่มีกำลังจิตกำลังใจ ที่จะปฏิบัติมากที่เราปฏิบัติไม่มากก็เพราะว่าเรายังหลงอยู่กับผลที่เราจะได้จากการการปฏิบัติตามความโลภความอยากของเรานั่นเองเรายังโลภยังอยากในลาบยศสรรเสริญยังอยากกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ถ้าเรายังมีความอยาก มีความโลภและมีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาตามความโลภตามความอยากอยู่เราก็จะรู้สึกว่าการทำทานนี้ยากเพราะว่าเราอยากจะเอาเงินทองที่เราหามานี้ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแทนที่จะเอามาทำทานกันอย่างนั้นถ้าเราอยากจะไป สือมรรคผลนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหลานตสาวกทั้งหลายไปกันเราก็ต้องเลิกเดินทางเก่าทางที่เราเคยเดินมาทางของความโลภความอยากในลาบยศสละเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิน้นกายต้องลดละลงไปให้น้อยลงไป ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ตัดทันทีทันใดให้หมดไปเลยให้ลดให้ละให้ตัดไปตามกำลังของเราเท่าที่เราจะทำได้แล้วหันมาทำในทางของพระพุทธเจ้าแทนที่จะเอาเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกวิ้นกายเอาเวลาไปหาราบยศสรรเสริญเราก็ เอาเงินมาทำทานเอาเวลามารักษาศีลมาภาวนากันถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ลองรักษาศีลแปดดูขั้นละ1่งอาทิตย์ก่อนก็ได้เช่นในวันพระนี่เป็นธรรมเนียมของชาวพุทธที่จะหยุดการหาความสุขทางราบยศสรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกติ้นกาย แล้วให้เข้าสู่วัดที่สงบสงัดวิเว้ห่างไกลาจากแสงสีเสียงเพื่อที่จะได้เข้าหาความสุขที่เกิดจากการบำเพ็ญสมถ ภ, ภาวนาวิปัสนาภาวนาที่เกิดจากการรักษาสีแปดนรันี่คือขั้นที่สองคือการรักษาสีขั้นที่สูงกว่าสีห้า ก็คือศีลแปดถ้าเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มรักษาศีลแปดได้ในวันพระถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้อย่างน้อยในวันพระเราก็ต้องรักษาให้ได้รักษาศีลห้าไปก่อนถ้ายังรักษาศีลห้าไม่ได้เลยในวันพระเราก็รักษาศีลห้ากันมาทำบุญ ที่วัดฟังเทศฟังธรรมรักษาสมาทานศีลห้าแล้วเรายัางต้องกลับไปทํางานทําการไปทําอะไรต่อไปก็ยังไปทําได้อยู่แต่ถ้าเราอยากจะขยับขึ้นสู่ธรรมที่สูงกว่าการทํำทานและการรักษาศีลห้าเราก็ต้องรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่วัดไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกห่างกายจากแสงสีเสียงแล้วก็มา ปฏิบัติธรรมขั้นที่สามรักษาสี่งแปดแล้วก็ปฏิบัติจิตตภาวนาสมถภาวนาวิปัสนาภาวน า, า, ว น, านี่เป็นการขยับขึ้นไปตามลำดับทำทีละเล็กทีละน้อยไปก่อนเพราะจะทำแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามก็ต้องมีการไต่เต้ า, ตาไปทีละก้าวทีละก้าว ขั้นต้นเราก็ทําทานไปก่อนถ้าเรายังรักษาศีลห้าไม่ได้มันทําทานไปเรื่อยๆพยายามถ้าตอนถ้ายังไม่ได้ทําอย่างสม่ําเสมอเช่นทําทุกวันก็หัดทาให้ได้ทุกวันถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านเพื่อให้เราได้ทําบุญใส่บาตรก็เอาเงินที่เราจะซื้อข้าวของกับข้าวกับปาดใส่บาตรนี้เอาใส่กระปุกไว้เอาใส่กระป๋องไว้รวบรวมไว้ พอถึงวันพระหรือเวลาที่เราไปวัดเราก็เอาเงินที่เราใจในกับปลุกนี้ไปถวีา่ายววันก็ถือว่าเราได้ทำทานทุกวันหรือเวลามีงานบุญต่างๆมีคนส่งซองมาให้เราร่วมทำบุญงานผ้าฝางานกระถินงานบวชงานอะไรต่างๆก็ตามเราก็ สามารถที่จะเอาเงินที่เราสะสมไว้ในแต่ละวันนี้มาทําทานได้เลยถ้าเราไม่ทําอย่างนี้พอมีเหตมุมีเหตุที่จะให้เราทําทานนี้เราก็อาจจะไม่มีเงินทําก็ได้เพราะถ้าเราไม่แบ่งเงินส่วนนี้ไว้ทําทานเราก็มักจะเอาเงินส่วนนี้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็น เพื่อให้ได้ความสุขตามความอยากชื่อประเดียวปดาวเท่านั้นนี่คือการฝึกทำทานควรจะทำทุกวันทำให้มันติดเป็นนิสัยไปทำมากทำน้อยไม่สำคัญขอให้ได้ทำทุกวันทำไปตามกำลังของเราใครเราสมมติว่าเราใส่บาตรทุกวันไม่มีพระผ่านมาทางบ้านก็เอาเงินที่จะซื้ออาหารใส่บาตรนี้ใส่กระปุกไว้ใส่กระป๋องไว้ สะสมไปเรื่อยๆพอมีเหตุที่จะทำให้เราต้องทำทานทำบุญเราก็จะเอาเงินก้อนนี้มาทำได้เลยมีเพื่อนฝูงจะบวชลูกเราก็ร่วมทำบุญไปมีเพื่อนฝูงจะสร้างกุฏิเราก็ร่วมทำบุญไปมีเพื่อนฝูงจะทอดผ้าป่าสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลเราก็ร่วมทำไปได้ เพราะว่าเราได้ทำอยู่อย่างต่อเนื่องทุกวันเราก็จะมีเงินทำทานถ้าเราทำอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะมีความเมตตาไม่มีความตณ์หนีไม่มีความโลภอยากจะใช้เงินซื้อสิ่งของตามความอยากต่างๆก็จะทำให้เราสามารถรักษาศีลห้าได้ เมื่อเรารักษาศีลห้าได้วันพระเราก็มารักษาศีลแปดกันวันเดียวจะตายไป เ, เหลิรักษาศีลอีกสามข้อเพิ่มจากห้าข้อที่มีอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นของยากเย็นจะต้องไปแบกหามไปเหมือนกับการไปปีนภูเขาไปไปทำอะไรแบบที่คนสมัยนี้ชอบทำกันแบบพิสดารต้องออกออกออกแรงวิ่งมาราธอนกันอันนี้ไม่ต้องออกแรง ให้อยู่เฉยๆท่านั้นเองทิ้นทิ้นนี่ก็คือการให้เราอยู่เฉยๆให้อยู่อย่างเป็นสุขเช่นแทนที่จะต้องไปทำกิจกรรมกับคู่ครองร่วมหลับนอนกันก็หยุดหยุดเพียงหนึ่งคืนท่านั้นเองทำไมจะทำไม่ได้กันหยุดรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายซึ่งเป็นประโยชน์กับร่างกายทำไมจะไม่ทำกัน ทุกวันนี้เรารับประทานอาหารกันมากจนเกินไปจนทำให้ร่างกายของเราเสียเสียหุ่นไปหมดร่างกายนี้กลายเป็นตุ่มไปหมดแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบีย น, ยนต้องไปออกกำลังกายวิ่งเต้นรั้งเต้นกากันให้เหนื่อยเพื่อที่จะได้ลดน้ำหนักวิธีที่ลดน้ำหนักตามเหตุตามผลก็คืออย่าเพิ่มน้ำหนักอย่ากินเข้าไปอย่ากินอาหารเข้าไปน้าหนักมันก็ไม่เพิ่ม นี่มีแต่กินแล้วก็จะไปวิ่งไปเต้นเพื่อให้น้ำหนักมันลดกันพอวิ่งเต้นเสร็จแล้วก็เหนื่อยก็หิวอีกก็อยากจะกินอีกมันก็ไม่มีวันที่จะลดได้ถ้าอยากจะลดน้ำหนักก็มาถือศีลแปดกันอย่า ก, กินข้าวเย็นกันลดไปหนึ่งมื้อเท่านั้นเองไม่ห็นจะยากเย็นตรงไหนนี่ข้อที่หกศีลข้อที่ห ส้นข้ที่เจ็ดก็คือให้หยุดกิจกรรมทางด้านบันเทิงมลหศบมหรสพหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอหยุดกันหนึ่งวันไม่ต้องดูไม่ต้องฟังไม่ต้องเดื่มไม่ต้องรับประทานอะไรที่จะทําให้เกิดความสุขประเดี๋ยวประดาวเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างความสุขทางใจสร้างความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมขั้นที่สาม ขั้นที่จะทำให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็คือขั้นสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนานี้เองเนี่ยเป็นการปฏิบัติที่ไม่ยากเย็นตรงไหนเลยง่ายกว่าการไปปีนป่ายภูเขาไปเล่นกีฬาชนิดโลดโผนชนิดต่างๆเสียงเป็นเสียงตายถ้าเป็นแทบตายแล้วก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ดับความทุกข์ใจ ดีไม่ดีก็ไปเกิดอุบัติเหตุทำให้เจ็บเนื้อเจ็บตัวไปเสียเปล่าๆไม่ได้อะไรมาทางด้านจิตใจเลยจิตใจก็ยังทุกข์ยังวุ่นวายเหมือนเดิมไม่เหมือนกับการมาถือศีลแปดแล้วก็มาบำเพ็ญจิตตภาวนามาปฏิบัติธรรมมาทำใจให้สงบการปฏิบัติธรรมเมื่อเปรียบเทียบกับการปฏิบัติสิ่งต่างๆที่เขาทากันใ น, น่องนี้มันง่ายจะตายไป ว่าการปฏิบัติธรรมนี้สอนให้เราหยุดเท่านั้นเองสอนให้เราอยู่เฉยๆหยุดกายหยุดวาจาและหยุดใจเท่านั้นเองไม่ไม่ได้ทำอะไรที่พิสดารเหมือนกับต้องไปปีนภูเขาหิมาลัยหรือต้องขึ้นไป อ, อยู่บนตึกร้อยชั้นแล้วก็โดดลงมาอันนี้เป็นเรื่องที่มันแสนยากแสนลำบากแสนโหดกับทากันได้แต่เรื่องง่ายๆให้นั่งเฉยๆ ไม่ให้พูดไม่ให้คุยไม่ให้คิดอะไรนี่กลับทําไม่ได้กันกลับไม่ยอมทากันเพราะไม่รู้ถึงผลอันเลิศที่จะได้จากการกระทําแบบนี้นั่นเองถ้ารู้แล้วก็จะไม่อยากจะทําอะไรอยากจะทําตามที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสอนเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขเหมือนกับการได้หยุดกายวาจาใจกายสงบ วาจาสงบใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ไม่มีอะไรเหมือนในโลกนี้นี่คือกิจกรรมที่เราควรที่จะทำกันทำไปเป็นขั้นเป็นตอนไปเราทำตรงไหนไดน้เราก็ทำไปก่อนเราทำทานลองมาทำทุกวันดู ลองเอาเงินใส่บาตรใส่กระปุกไว้ถ้าไม่มีพระไม่มีผู้ที่มาขอเงินขอทองไม่มีขอทานมาไม่มีผู้ที่มาขอบุญขอความช่วยเหลือเราก็เอาเงินนี้ใส่กระปุกเอาไว้ใส่กระป๋องเอาไว้สะสมเอาไว้ไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่จะต้องทำทานก็เราก็จะได้ทำได้ถ้าเรามาวัดเราก็จะได้มีเงินมาวัดได้ ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้พอถึงวันพระก็จะอ้างว่าไม่มีเงินเสียแล้วเพราะเอาเงินไปเที่ยวหมดเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยหมดพอจะมาวัดมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลแปลดก็มาไม่ได้นี่แหละเป็นอุปสรรคที่ทําให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมตามที่พระเจ้าและพระอาหารหันต์ปสาวกทั้งหลายได้ปฏิบัติกันได้ เพราะเราไม่มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้เราไม่มีการวางแผนการเอาไว้นั่นเองการปฏิบัติธรรมก็เป็นเหมือนกับการทํางานทางโลกนี่การทํางานทางโลกถ้าจะทําให้สําเร็จได้ก็ต้องมีการวางแผนกันบริษัทแต่บริษัทนี้ทุกปีเขาจะต้องมีการวางแผนวางงบประมาณวางเป้าหมายของการดําเนินกิจการของเขาว่าจะ ไปเดินไปสู่เป้าหมายอันนี้ได้อย่างไรจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องเพิ่มอะไรจะต้องทำอะไรก็มีการวางแผนเมื่อมีการวางแผนแล้วก็มีการดำเนินตามการวางแผนถ้ามีการดำเนินไปตามแผนการผลมันก็จะต้องเป็นไปตามแผนการที่วางไว้อย่างแน่นอนชันใดถ้าพวกเราอยากจะเดินไปในทางมรรคผลนิพาน เราก็ต้องวางแผนการอาไว้แล้วตั้งแต่บัดนี้ว่าต่อไปนี้เราจะต้องทำทานทำทานทุกวันทำให้เป็นนิสัยทำเพื่อตัดความตัหนีตัดความโลภในเงินทองทำเพื่อตัดการใช้เงินทองไปตามความอยากต่างๆทำเพื่อให้เราได้เกิดความเมตตาแก่ผู้อื่นทำเพื่อให้เราได้รักษาศีลห้าได้ ทำเพื่อให้เรามีเวลามาภาวนามาอยู่วัดได้นี่คือการวางแผนเราต้องวางแผนแล้วเราทําตามแผนที่เราวางไว้ถ้าเราทําทานอย่างที่พูดไว้เราก็จะสามารถรักษาปฏิบัติธรรมขั้นที่สองได้ก็คือการรักษาศีลห้าแล้วพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วเราก็สามารถที่จะรักษาศีลแปดในวันพระได้ สามารถไปอยู่วัดได้วันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปเสียเงินเสียทองไปเหน็ดไปเหนื่อยกลับมาแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลือมีแต่ความอยากจะไปเที่ยวต่อแล้วเงินทองก็หมดไปก็ต้องไปหาเงินทองใหม่ต้องไปดินน้นรนทำเงินหาเงินหาทองแล้วก็ ไปทาบาปทำกรรมเพื่อที่จะได้เงินทองมาอย่างง่ายดายและรวดเร็วเพื่อที่จะได้เอามาใช้มาเที่ยวใหมอ่อีกย่างนี้เราเลิกทำกันแบบนี้วันหยุดแทนที่จะเอาเวลาไปเที่ยวกันไปสร้างความอยากกันเราก็มาอยู่วัดมาหยุดความอยากกันเพราะความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทาให้เราไม่มีมรรคผลนิพพานกันถ้าเราหยุดความอยากได้มรรคผลนิพพานมันก็จะปรากฏขึ้นมาเอง ตัวที่ทำลายมรรคผลนิพพานก็คือความอยากต่างๆของเรานี้เองเราจึงต้องมาหยุดการทำตามความอยากกันวันพระเราก็มาหยุดทำความความอยากหาความสุขทางร่างกายไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราหรือกับใครทั้งนั้นไม่หาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกินไปแบบไม่มีขอบไม่มีเขตไ ม, มเมไม่มีเวลาไม่มีเวลา หยุดการหาความสุขจากมหรสลพบันเทิงต่างๆหยุดการหาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายด้วยเสื้อผ้าอาภรวิจิตรพิสดารด้วยเครื่องสำอางด้วยการทำผ้าทำผมอะไรต่างๆเสียเวลาไปเปล่าๆความสุขเดียวเดียวความสุขชั่วขณะหนึ่งท่านั้นแต่เวลาต้องเสียเวลาอันมีค่าไป เวลาที่จะได้เอามาใช้กับการปฏิบัติเพื่อบรรลุบรรคผลนิพพานนี้ก็จะไม่มีแล้วก็ลดเว้นงดเว้นจากการหลับนอนมากเกินไปการหลับนอนนี่ควรจะเป็นการหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอวิธีที่จะหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็ต้องนอนบนพื้นพื้นแข็งอย่าไปนอนบนฟูกหนาะหนาะ พราเวลานอนบนฟูกเน้หนาๆนี่มันจะทําให้นอนมากเกินไปเวลาร่างกายได้พักผ่อนแล้วพอตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนหนามันจะรู้สึกสบายก็จะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่อไปอีกหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ถ้านอนบนพื้นไม้พื้นแข็งเวลาน่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบาย ก็จะลุกขึ้นมาจะได้มาจเจริญส ม, มถะภาวนามาเจริญสติลุกขึ้นมาถ้า ง, ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนลุกขึ้นมาเดินจงกรมจเจริญสติไปก่อนสตินี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้ต้องใจต้องเป็นหนึ่งใจต้องไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจต้องคิดอยู่กับเรื่องเดียวเช่นคิดอยู่กับคาว่าพุทโธพุทโธถ้า ตื่นขึ้นมาแล้วนั่งหลับก็อย่านั่งลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาเดินเดินจงกรมให้หายง่วงก่อนเดินไปบริกรรมพุทโธพุทโธไปเดินไปพอหายง่วงพร้อมที่จะนั่งก็กลับมานั่งนั่งแล้วก็บริกรรมพุทโธเพื่อดึงใจให้เข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีความสุขอะไรในโลกนี้ที่จะ เปรียบเสมอเท่าได้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายเพราะตอนนั้นจิตพักหยุดทำงานไม่คิดปรุงแต่งกิเลสตัณหาก็ไม่ทำงานทุกสิ่งทุกอย่างสงบใจก็เลยมีความสุขที่เป็นธรรมชาติเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แต่เป็นความสุขควความสงบชั่วคราว พอออกจากความสงบออกจากสมาธิมาถ้าไม่คอยควบคุมใจไว้ใจก็จะไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็จะเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจตามมาพอเกิดความอยากแล้วใจก็จะกระวนกระวายกระสับกระสายหงุดหงิดลำคาญใจถ้าไม่ได้ทำตามความอยากถ้าไม่อยากให้จิตใจ กะสับกระส่ายกระวนกระวายอยากจะให้จิตใจสงบเหมือนเดิมอยู่ก็ทำได้สองวิธีด้วยกันวิธีที่หนึ่งก็คือกลับมาจเจริญบริกรรมพุทโธต่อจเจริญสติต่ออย่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านคิดไปถึงเรื่องราวต่างๆที่จะทำให้เกิดความโลภเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีแบบชั่วคราวเพราะจะทาให้จิตสงบได้ชั่วคราวพอ ออกจากความสงบมาก็ต้องคอยคุมไว้อีกถ้าไม่อยากต้องคุมอย่างนี้ไปตลอดก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาก็จะสอนใจไม่ให้ไปอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจเพราะสิ่งที่ได้มานี้มันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป เวลาได้มาก็ดีใจมีความสุขเวลา ส, สูญไปก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจแล้วก็จะเกิดความอยากได้ขึ้นมาใหม่จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันหมดสิน้นถ้าอยากจะตัดปัญหานี้ไปให้มันเป็นได้อย่างถาวรก็ต้องหยุดความอยากเท่านั้นไม่ทําตามความอยากเท่านั้นจะไม่ทําตามความอยากก็ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่เป็นสุข เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องมีวันหมดไป <S <S เมื่อหมดไปแล้วมันก็ <audio sunscreen> จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาให้เห็นว่าเราไปบังคับมันไม่ได้ไปสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ได้ถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลาที่มันจะให้ความทุกข์มันก็จะให้ความทุกข์กับเราถ้าเราเห็นอย่างนี้กับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะไม่ทาตามความอยาก พอเราไม่ทำตามความอยากใจของเราก็จะนิ่งเฉยจะสงบเหมือนกับอยู่เวลาอยู่ในสมาธิแต่เราไม่ต้องเข้าไปในสมาธิใจไม่มีความอยากแล้วใจก็สบายเย็นสงบสบายมีความสุขไม่หิวไม่โหยมีความอิ่มมีความพออยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติที่เรียกว่าวิปัสสนาถ้าตัดความอยากได้ ก็จะบรรลุมรรคผลนิพพานขั้นต่างๆได้ความอยากมันก็มีหลายหลายชนิดด้วยกันแล้วก็พอตัดได้ก็จะบรรลุทำขั้นนั้นขั้นนั้นไปจนถึงทำขั้นสุดท้ายเมื่อสามารถตัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เมื่อหมดไปจากใจแล้วใจก็จะมีแต่ความสุขตลอดเวลาท่านจึงเรียกความสุขแบบนี้ว่าปรมังสุขขัง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่แท้ จ, จริงความทุกข์ก็ไม่มีหลงเหลืออยู่ภายในใจเพราะความสุขไม่มีวันหมดนั่นเองไม่เหมือนกับความสุขที่เรามีกันในขณะนี้เป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขที่เราได้มานั้นมันจางหายไปก็จะมีความทุกข์มาทดแทน เวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปความสุขที่เราได้จากสิ่งที่เรารักก็หมดไปความทุกข์ที่เราเกิดจากการสูญเสียสิ่งที่เราๆๆรักก็จะตามมาแต่ความสุขของพระนิพพานความสุขที่ไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในจิตใจนี้มันเป็นความสุขที่เสมอต้นเสมอไปเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหมดไม่มีวันสิน้นตราบใดถ้าไม่จิตไม่มีวันหมดวันสิน้น ความสุขแบบนี้ก็จะไม่มีวันหมดวันสิ้นจิตของแต่ละจิตละจิตของแต่ละคนนี่เป็นจิตที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นถ้าได้ความสุขแบบนี้อยู่กับใจมันก็จะไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นนี่แหละคือความสุขของพระนิพพานความสุขของพระพุทธเจ้าความสุขของพาอาระอรหันตสาวกผู้ที่เป็นปุถุชนเหมือนเรามาก่อน แต่มีความขยันมีความอุตสาหะมีมีศรัทธามีฉันทะความยินดีที่จะสร้างความสุขอันวิเศษนี้ให้เกิดขึ้นมาภายในใจด้วยการทำทานอย่างต่อเนื่องด้วยการรักษาศีลอย่างต่อเนื่องด้วยการภาวนาอย่างต่อเนื่องงานนี้ต้องเป็นงานที่เป็นงานเป็นรูปแบบคือเป็นงานอาชีพ อย่าเป็นอย่าทำเป็นงานสมัครเล่นเป็นงานเหมือนกับเป็นงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราทำมาหากินนี่เราถือว่าเป็นงานที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องชั้นใดงานการสร้างมรรคผลนิพพานนี้ถ้าอยากจะให้เกิดผลขึ้นมาอย่างเต็มที่ก็ต้องเป็นงานแบบมืออาชีพไม่ใช่แบบมือสมัครเล่นจะต้องทำตลอดเวลาจะต้องปล่อยงานต่างๆไปให้หมด ป่อยงานในปล่อยงานเกี่ยวกับการหาราบยศสารเสรินหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกายแล้วมาทำงานเพื่อให้เกิดมรรคผลนิพพานก็คือมาทาทางให้เต็มที่เมื่อทำทางให้เต็มที่หมดแล้วไม่มีอะไรย่องทานเราก็มารักษาศีลให้เต็มที่มาภาวนาให้เต็มที่ทามันทุกวันทุกเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ เดินยืนนั่งนอนนี้ให้มีการเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเข้าไปในสมาธิแล้วก็มีการออกจากสมาธิมาก็มีการเจริญปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเพื่อที่จะคอยสอนใจเตือนใจว่าอย่าไปอยากได้เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราจะไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราให้อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้ เราจะต้องมีวันจากเราไปอย่างแน่นอนถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อยากได้อะไรเพราะอยากพอาอยากแล้วก็จะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาทันทีแล้วพอได้สิ่งที่อยากมาแล้วเวลาเสียไปก็จะต้องทุกข์อีก น, นี่ให้เห็นความทุกข์ในทุกสิ่งทุกอย่างให้เห็นความทุกข์ในความอยากให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้มันไม่เที่ยงมันไม่ไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง เราจะต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มานี้ไปเวลาสูญเสียนี้มันจะเป็นความทุกข์ถ้าเรายังมีความอยากไม่สูญเสียอยู่แต่ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ให้มันสูญเสียแล้วเราก็จะไม่ทุกข์กับมันเช่นใจของพระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความอยากที่จะไม่สูญเสียใจของท่านนี้พร้อมที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเพราะท่าน รู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสูญเสียไม่มีอะไรมายับยั้งห้ามการสูญเสียนี้ได้แต่ใจที่ยอมสูญเสียนี้กลับเป็นใจที่สงบกับเป็นใจที่มีความสุขใจที่ไม่ยอมสูญเสียใจที่อยากจะให้สิ่งต่างๆอยู่กับตนไปตลอดจะเป็นใจที่วุ่นวายใจที่เดือดร้อนใจที่เครียดใจที่ทรมาน นี่คือผลของการปฏิบัติทางโลกกับทางธรรมถ้าไปทางโลกทางลาบยศสารสรสุกก็จะได้ผลก็คือความทุกข์ความเครียดเพราะจะมีความอยากไม่สูญเสียลาบยศสารสริญไม่สูญเสียความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปแต่ถ้ามาปฏิบัติทางธรรมก็จะไม่มีความเครียดไม่มีความทุกข์เพราะยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นของเรา แล้วถือว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขให้มันไปดีกว่าไปแล้วเล่าสบายอยู่กับมันแล้วทุกข์ไปเปล่าๆนี่แหละคือเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อมรักผลนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่ยากเย็นเกินไปแม้แต่เด็กก็ยังปฏิบัติกันได้มีสมัยพระพุทธกาลนี้มีบุคคลทุกเพศทุกวัยที่ปฏิบัติได้และบรรลุมรกผลนิพพานได้ ผู้ใหญ่ก็มีเด็กก็มีหญิงก็มีชายก็มีคนจนก็มีคนรวยก็มีคนธรรมดาสามัญก็มีพระราชามหากษัตริย์ก็มีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยทุกฐานะทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นสมัยของพระพุทธเจ้าหรือเป็นสมัยนี้ก็สามารถที่จะยังผลให้เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติได้อย่างแน่นอน ขอให้ผู้ปฏิบัติมีความศรัทธาความเชื่อมีฉันทะความยินดีที่จะปฏิบัติตามมีความเพียรที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัตินี้เท่านั้นถ้ามีศรัทธามีฉันทะวิริยะรับรองได้ว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ในปุ้งมือของเราแล้วอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ ไปพินิษฐ์พิจารณาและไปปฏิบัติเพื่อผลก็คือมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสากกรัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจตุสัพเพโปริตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธานสีลิตสะนิจังุทธาปจายิโนจตาโรโอธรมาวทานติอายุวนันโอสุขังภาลางังข้อต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมะ ท่นานผู้ใดอยากจะถามปัญหาขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนหรือถ้าอายไม่อยากจะปรากฏก็เขียนเขียนข้อความขึ้นมาก็ได้ขอให้ถามตอนนี้เพราะจะได้ประโยชน์กับทุกคนอย่ารอตอนที่ปิดไมค์แล้วจะมาถามเพราะว่ามันจะไม่ได้ประโยชน์ทั่วถึง ปัญหาของพวกเราก็เหมือนกันทั้งนั้นนะเรื่องของความโลภความโกรธความหลงไม่ต้องอายกันทุกคนมีเท่ากันถ้าถ้าไม่มีก็ไม่ได้กงยังไม่ต้องมาที่นี่มีคําถามจากมีคำสองคาถามที่คนฝากถามมาค่ะคนแรกมีน้องฝากถามมาบอกว่าตอนนี้แม่ป่วยหนัก วันนี้หมอเข้ามาคุยกับแม่แล้วบอกว่าให้เลือกว่าจะรักษาต่อหรือไม่ถ้าเลือกที่จะรักษาต่อก็ต้องทรมานกับทุกขเวทนาทางกายแต่ถ้าเลือกที่จะไม่รักษาต่อหมอก็จะหยุดและรักษาตามอาการและให้กลับบ้านแต่เมื่อก่อนแม่เคยพูดเสมอว่าพร้อมที่จะตายอยากจะตายเพราะทรมาน แต่พอแม่ได้ยินหมอพูดแบบนั้นหนูเห็นแม่ช็อกไปเลยกับคำพูดของหมอที่พูดประมาณว่าหมดทางที่จะรอดแล้วตอนนี้คือรอความตายอย่างเดียวขอพระอาจารย์ให้ข้อคิดทางธรรมด้วยค่ะเออมันก็เป็นธรรมอยู่แล้วเนี่ยคำถามนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องปล่อยปล่อยแล้วมันก็จะใจก็จะสงบใจก็จะไม่ทรมาน ถ้าไม่ยอมปล่อยใจก็ทรมานไปเปล่าๆแล้วก็ผลก็ไม่เปลี่ยนแปลงผลก็เหมือนกันตายเหมือนกันแต่ตายแบบสงบตายแบบสบายหรือตายแบบทุกข์ทรมานก็อยู่ที่การจะปล่อยไม่ปล่อยการจะปล่อยได้ก็ต้องเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเนั่องเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตาย โดยเฉพาะการเห็นว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเรานี่เป็นตัวที่สำคัญถ้าเราเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราก็จะไม่เดือดร้อนวิธีจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราเราก็ต้องแกยกแยกกายออกจากใจให้ได้วิธีที่จะแยกใจออกจากกายก็ต้องทำใจให้สงบจเจริญพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกอย่าให้คิดอะไรตอนนี้อย่าไปคิดถึงเรื่องร่างกายให้อยู่กับ พุโทโธพุโทโธไปหรืออยู่กับลมหายใจไปเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบพอใจเข้าสู่ความสงบใจกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันร่างกายก็จะหายไปจากความรู้สึกจะเหลืออยู่แต่ตัวรู้ผู้รู้อยู่ตัวเดียวก็จะรู้ว่าตัวนี้ไม่ตายตัวนี้ไม่ได้เป็นร่างกายตัวนี้ไม่ต้องไปทุกข์กับร่างกายขอให้ตัวนี้ปล่อยเท่านั้นเอง วิธีปล่อยก็ให้รู้เฉยๆอย่างที่ขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่อยู่ในสมาธินี้ใจหยุดทำงานใจหยุดยึดหยุ ด, ยดติดหยุดอยากกับร่างกายเฉั้นวิธีที่จะปล่อยอย่างมีความสงบอย่างความสุขก็ต้องพยายามทำสมาธิให้ได้คนเราบางทีถึงเวลาจนตรอกแล้วมันทำได้ เช่นเวลาคนเรานี่เวลาจะจมน้ําตายท่านบอกว่ามีศพลอยมายังกอดศพไว้เลยอยอมกอดศพดีกว่ายอมตายก็้าใจไหตอนนี้จะตายแล้วก็ต้องกอดสมาธิเท่านั้นอนะ่ะถึงจะไม่ทรมานกอดสมาธิกอดปัญญามีสมาธิแล้วถ้าเห็นว่าเป็นไม่เป็นตัวเราของเราก็จะปล่อยได้อย่างง่ายได้ ถ้ายังไม่มีสมาธิถึงแม้ใครจะมาบอกว่าไม่ใช่ตัวเราของเราก็ไม่เชื่อก็มองไม่เห็นอีกก็ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ฉะนั้นจำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนพอมีสมาธิเราจะรู้ว่าอ้อไม่มีร่างกายนี้กับสบายกว่ามีเวลามีร่างกายนี้เหมือนแบกแบกภูเขาไว้บนอกพอจิตเข้าไปในสงบปล่อยวางร่างกายแล้วนี้เหมือนกับยกภูเขาออกจากอก เราจะรู้จากวิธีปล่อยร่างกายได้ก็คือไม่แบกเหมือนไม่ไปยึดไปติดไม่ไปเถอว่ามันเป็นตัวเราของเราแล้วใจก็จะอยู่อย่างสงบอย่างสบายไม่เดือดร้อนกับความตายของร่างกายนี่คือคำตอบแล้ก็คำถามที่สองฝากถามเกี่ยวกับแม่เหมือนกันคะ่ะ ขอวิธีรับมือและการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างแม่กับลูกโดยคนฝากถามบอกว่าใช้ชีวิตตั้งแต่เรียนและทำงานอยู่ที่เมืองนอกเลยตลอดจึงทำให้ซึมซับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตของคนตะวันตกโดยเฉพาะเรื่องการเคารพสิทธิส่วนบุคคลการไม่ยุง่งไม่ก้าวไก่เรื่องส่วนตัวกันแต่เมื่อต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวจึงทาให้ต้องเอรีรีทจากงานและกลับมาดูแลแม่ซึ่งอายุมากแล้ว แต่ด้วยความที่แม่เป็นผู้หญิงเก่งจึงทำให้แม่เข้ามาก้าวไก่ในชีวิตส่วนตัวทั้งทั้งที่ลูกอายุมากแล้วเกือบเจ็ดสิบแล้วทุกครั้งที่แม่เข้ามายุ่งเข้ามาวุ่นวายก็จะมีปัญหาทะเลาะกัน <S 2> <S 2> <S และถูกคุณแม่ดุด่าใช้ถ้อยคำที่รุนแรงจนเครียดมีปัญหาโรคกระเพาะอันนี้ประเด็นที่หนึ่งส่วนประเด็นที่สองออออ เ, เอาดเรเอาดีไปเน้นดีก่าเดี๋ยว<อ>ลืมวิธีที่จะให้อยู่กันด้วยสองคนอย่างมีความสุข ก็คือต้องรู้จักภาสาส่วนมวนแล้วก็สมุนส่วนต่างาถ้ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็อย่าเอามาพูดกันพูดกันก็ไม่มีวันจบไม่มีวันเข้าใจกันพูดแต่ในเรื่องที่มีความเห็นตรงกันส่วนความเห็นที่ไม่ตรงกันก็อย่าพยายามที่จะน้อมให้เข้าหากันให้มันหาให้มันเข้ามาหากันเองถ้ามันจะเข้าหา ถ้ามันไม่ยามเข้าหาก็ต่างคนต่างอยู่ไปไม่เป็นเรื่องสําคัญอะไรอยู่แบบนี้ก็ได้อยู่แบบนั่นก็ได้ตายเหมือนกันคิดอย่างนี้เขาจะให้เราเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่เป็นวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาก็คือเอาความสงบสยบความเคลื่อนไหวก็คือปล่อยให้เขาพูดให้พอเขาปล่อยให้เขาบ่นให้พอแล้วก็เฉยเลูอกเดียวฮไม่ต้องไปตอบโต้ไม่ต้องอะไร ถึงเวลาเราก็ทำไปตามเรื่องของเราถ้าการกระทาของเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเขาก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นการกระทาแล้วทำให้เขาเดือดร้อน เ, ออเสียหายเราก็ควรจะหยุดแล้วก็ประเด็นที่สองช่วงที่กลับมาเมืองไทยแรกๆต้องปรับตัวแต่โชคดีที่เจอธรรมะและได้ปฏิบตัตินั่งสมาธิก่อนนอนและหลังตื่น แต่สติก็ต้องกระเจิงทุกครั้งหลังจากคุยกับแม่เพราะทะเลาะกันและโดนด่าทุกครั้งและทุกครั้งที่โดนแม่ดุด่าก็จะเสียกําลังใจรู้สึกเบื่อละอาชีวิตอยากจะหนีเข้าวัดหาที่สงบปฏิบัติธรรมแต่อีกใจก็เป็นห่วงแม่สงสารแม่กลัวบาปอยู่ไกลก็เป็นห่วงอยู่ใกล้ก็นรกจึงกราบขอเมตตาขออาวัตรพระจอนก็ควรจะพลิกนรกให้เป็นสวรรค์ขึ้นมาให้ถือว่าการดุด่าว่ากล่าวนี้เป็นข้อสอบ ไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนไปอยู่วัดก็จะต้องเจอยิ่งไปอยู่กับวัดที่มีครูบาอาจารย์ที่ดุเก่งว่าเก่งเนี่ยิ่งจะเจอหนักกว่าอยู่ที่บ้านเสียอีกดังนั้นอย่าให้เราไปกลัวกับคำดุด่าว่ากล่าวเพราะว่ามันก็เป็นเพียงเสียงเป็นลมปากเท่านั้นเองปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เสียงที่ดุด่าว่ากล่าวปัญหาอยู่ที่ใจเราไม่ต่อต้านการดุด่าว่ากล่าวไม่ชอบการดุด่าว่ากล่าว ชอบแต่การสรรเสริญยืนยอแล่พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสสอนอยู่เสมอว่าเราอยู่ในโลกกะระทำแปดต้องมีการเจริญและเสื่อมของโลกกะระทำทั้งแปดคือมีเจริญลาบก็ต้องเสื่อมลาบมีเจริญยศก็ต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญก็ต้องมีนินทาเป็นธรรมดาจะให้มีแต่สรรเสริญอย่างเดียวนั้นเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเราถึงควรจะดีใจที่มีคนมาคอยให้ข้อสอบเราอยู่เรื่อย เพราะถ้าไม่มีใครเราก็จะเหลิงเราจะคิดว่าเราเก่งถ้าเราเก่งจริงเราต้องให้เขาด่าได้วิธีจะให้เขาด่าได้พระเจ้าก็สอนบอกให้ทำตัวเป็นเหมือนผ้าขีริว้วทำเป็นเหมือนคนรับใช้เจ้านายจะด่าอะไรจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปขอให้เขาจ่ายเงินเดือนก็พ อ, อการนมัสการพระอาจารย์ครับมีคาถามสำหรับนักปฏิบัติ บางท่านก็ปฏิบัติง่ายบางท่านก็ปฏิบัติยากบางท่านก็อมเอีเรียกว่าอะไรเรียกว่าไม่เหมือนกันรู้สึกว่ามีปฏิปทาต่างกันนะครับอย่างที่ผมอยากจะขอพระอาจารย์ช่วยแนะนําแนวทางสําหรับผู้ที่ปฏิบัติยากแล้วก็เอเออ อุปสรรคเยอะนะครับอันนี้จะรบกวนอาจารย์ช่วยให้แนวทางด้วยนะครับก็ต้องวิเคราะห์ดู ว, ว่าอุปสรรคมันมีอะไรบ้างแล้วจะวิธีที่จะกำจัดมันกาจัดมันอย่างไรก็ต้องศึกษาแต่แตและกรณีไปถ้าเราไม่วิเคราะห์ไม่ศึกษาเราก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไป เช่นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าถ้าเรามีอุปสรรคที่เกิดจากนิวรณ์ห้าประการก็เช่นความลังเลสงสัยก็ให้อยู่กับผู้รู้อยู่ใกล้ผู้รู้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความความฉลาดที่สามารถที่จะทำให้เราคลายความลังเลสงสัยทำให้เราเกิดศรัทธาต่อการปฏิบัติของเราได้ ถ้าเรามีการมารมณ์ท่านก็สอนให้เราจเจริญอร ส, สุภะกรรมฐานให้พิจารณาอร่างกายในส่วนที่ไม่สวยงามอย่าไปดูแต่ส่วนที่สวยงามร่างกายของคนเราทุกคนนี้มีทั้งส่วนที่สวยและส่วนที่ไม่สวยเหมือนกับเหรียญที่มันเป็นสองด้านเราอย่าไปมองเหรียญด้านเดียวเราจะคิดว่าเหรียญเป็นอย่างนี้ไปทุกด้านแต่ความจริงมันมีทั้งด้านที่ไม่ มีหัวมีก้อยชั้นใดร่างกายก็มีส่วนที่สวยกับส่วนที่ไม่สวยส่วนที่ไม่สวยก็เวลาที่แก่เป็นอย่างไรเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาที่ตายไปเป็นอย่างไรหรือดูสิ่งที่มีอยู่ภายใต้ผิวหนังมีส่วนไหนบ้างที่สวยงามภายใต้ผิวหนังหน้าของเรานี่มีหนังหุ้มห่ออยู่ถ้าเราฉีกหนังออกแล้วใต้ผิวหนังนี่จะมีอะไร ก็จะมีกระโหลกศีรษะร่างกายเราถ้าแวกออกมาดูข้างในจะเห็นว่ามีอะไรบ้างนี่คือการดูส่วนที่ไม่สวยไม่งามแล้วเราก็จะกําจัดอุปสรรคคือกรรมอกากรรมอารมณ์ได้ถ้าเราเกิดโทสะท่านก็สอนให้เราแผ่เมตตาให้รู้จักให้อภัยอย่าถือโทษโกรธเคืองกันเพราะการโกรธเกียดนี้มันเป็นภัยต่อจิตใจ เป็นเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาจะไม่สามารถทําใจให้สงบได้เป้าหมายของเราคือการชนะตนไม่ใช่ชนะผู้อื่นเพราะฉั้นผู้อื่นเขามาทําอะไรเรานี่เราไม่ต้องไปทําร้ายเขาเรายอมแพ้ท่านบอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารเพราะถ้าแพ้เป็นพระแล้วใจจะสงบถ้าชนะเป็นมารใจจะวุ่นเพราะจะต้องเสียอกเสียใจเวลาเราไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อที่จะเอาชนะเขา พอทําร้ายแล้วก็มานั่งร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจเดือมาเครียดกับการที่จะต้องไปรับผลวิบากที่จะตามมาต่อไปก็ต้องรู้จักให้อภัยไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าให้แผ่เมตตานี่คือวิธีการแก้อุปสรรคต่างๆที่เกิดจากการภาวนาถ้าเกิดความง่วงเหงาหงานอนท่านก็สอนให้ อ, อดอาหารก็เป็นวิธีหนึ่ง ถ้าอดอาหารแล้วจะไม่ง่วงหรือถ้าอดไม่ได้ก็ต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวเช่นไปภาวนาในป่าช้าไปอยู่ในป่าที่มีสิงสารสัตว์อันตรายต่างๆก็จะไม่ง่วงนอนมีพระรูปหนึ่งที่หลวงตาท่านเขียนไว้ในปฏิปทาถ้าง่วงนอนชอบสับ ป, ประหลกท่านก็จะไปนั่งที่หน้าผาหน้าเหวถ้ามันสับ ป, ประหลกก็หวทิ่มลงเหวไปเลย แต่อย่างนั้นเรรับรองได้ว่าจะไม่มีวันสับ ป, ประกไม่มีวันง่วงนี่คือวิธีการแก้อุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการภาวนาในการปฏิบัติธรรมถ้าเป็นเรื่องอื่นก็ต้องวิเคราะห์ดูเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องพี่เรองน้องก็ต้องวิจิารณาว่าเป็นตายรักไปให้หมดพ่อเดี๋ยวก็ตายแม่เดี๋ยวก็ตายน้องเดี๋ยวก็ตายลูกเดี๋ยวก็ตาย การดูแลรักษาเขายัางไงก็หนีความตายไม่พ้นอยู่ดีจะทำให้เราเสียเวลาอันมีคุณค่าที่อาจจะทำให้เราไม่สามารถตักตวงประโยชน์ที่เราควรจะได้รับในชาตินี้ได้แล้วชาติหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสแบบนี้หรือเปล่าสาธุครับอ า, าจารย์อีกคำถามหนึ่ง เ, เดิมปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะมีง่วงนอนเป็นประจำพอหลังจากที่อดอาหารนะครับถือศีลแปดบ้างก็ เอ่ออาการนี้ก็จะหายไปแต่อาการใหม่เกิดขึ้นก็คือนอนไม่หลับพอท้องมันร้องนะครับพอาจารย์อันนี้เป็นปกติหรือเปล่าครับถ้าพุ่งสร้างก็ต้องใช้สติตองเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดถึงอาหารคิดถึงอาหารแล้วมันก็จะหิวได้หรือถ้าจะคิดถึงอาหารก็ให้คิดถึงอาหารที่ไม่น่าดูอาหารที่ขณะอยู่ในปากหรืออยู่ในท้องอาเจียนออกมาหรือขับถ่ายออกมาถ้าคิดถึงอาหารเหล่านั้นมันก็จะทําให้ไม่หิวเอ แล้วมันก็จะสงบได้หรือให้เราบริกรรมพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องอย่าปล่อยให้ใจคิดเลอะเปื่อยถ้าคิดแล้วมันก็จะนอนไม่หลับสาธุครับอาจารย์ต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านนะคะคําถามแรกจากคุณวาสนาดิฉันเริ่มสนใจธรรมะเห็นคําสอนของพระอาจารย์ฟังและเข้าใจง่าย ก็เริ่มจากภาวนาพุโทโธแต่ทำไมถึงเตลิดออกนอกทางบ่อยๆบางทีไม่ถึงนาทีใจก็คิดเรื่องอื่นอีกแล้วชาตินี้จะมีโอกาสได้เจอทางสว่างไหมก็ไม่ทราบค่ะก็อยู่ที่ความพยายามของเราที่จะต้องคอยบังคับให้ใจอยู่ในทางให้อยู่กับพุโทโธเหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์เรารู้ว่าถ้าเราไม่ควบคุมรถยนต์ให้อยู่ในช่องถนนมันก็จะต้อง วิ่งออกนอกรูนอกทางแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายขึ้นมาฉันใดเราก็ต้องคิดว่าถ้าเราไม่ดึงใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธใจเราก็จะออกไปทางแล้ทางโลภโกรธหลงทางความอยากต่างๆแล้วก็จะทำให้จิตใจของเราวุ่นวายมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสงบไม่มีความสุขเราต้องคำนึงถึงผลที่จะเกิดตามมาถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่เราควรจะกระทะ ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้เรามีความพยายามที่จะพุโทโธต่อไปแล้วถ้าอยากจะให้พุโทโธอย่างจริงจรจรังๆท่านก็สอนว่าต้องไปอยู่ที่มันน่ากลัวไปอยู่ที่คิดว่ามีผีเวลามีรู้สึกว่ามีผีมานี่ใจจะเกาะติดอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวจะไม่กล้าคิดถึงเรื่องอะไรเลยถ้าอยู่กับพุโทโธเพียงห้านาทีใจก็รวมเป็นเป็นสมาธิได้ยั้นถ้ายัางใจยังเตลิดเปิดเบิงยัง ยังห้ามไม่อยู่ยังดึงไม่อยู่ต้องบังคับมันให้ไปอยู่ที่หน้ากลัวเพื่อมันจะได้ยึดกับพุทโธไว้เป็นที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะว่าถ้ามันไปคิดถึงผีแล้วมันจะกลัวมากพออยู่กับพุทโธพุทโธแล้วเย็นสบายสงบคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามนะคะสมาธิที่ดีนั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างที่ควรจะมีก่อนที่จะเข้าไปสู่การเจริญปัญญา สมาธิดีก็ต้องมีสติก่อนถ้ามีสติแล้วมันก็จะเข้าไปสู่อัปปนาไปสู่การรวมของจิตเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้มีอุเบกขามีความสุขมีความว่างไม่มีอะไรถ้ามีอะไรนี่ยังถือว่ายังเข้าไปไม่ถึงถ้ามีภาพมีนิมิตมีปิติมีแสงสว่างมีอะไรต่างๆยังถือว่ายังไม่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ ถ้าเป็นสมาธิสมบูรณ์นี้ต้องว่างสักแต่ว่ารู้ไม่มีอะไรให้รู้มีแต่ตัวรู้ตัวเดียวมีอุบเบกขาความสบายใจความเย็นใจไม่หิวไม่อยากไม่โลภไม่โกรธไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนี่คือสมาธิที่สมบูรณ์แบบคำถามต่อไปจากคุณกนกพรข้อที่หนึ่ง ดิฉันได้ฟังพระอาจารย์ตอบคำถามของดิฉันและพูดถึงสามีของดิฉันสองครั้งแล้วดิฉันยังไม่มีสามีค่ะแต่ดิฉันอยากมีสามีค่ะเพราะดิฉันได้เจอบุรุษที่ถูกใจและรักมากที่สิงคโปร์ดิฉันจึงอยากขอพรพระอาจารย์ว่าขอให้ดิฉันได้พบและแต่งงานกับบุรุษผู้นั้นและอยู่กินร่วมกันดูแลร่วมทุกข์ร่วมสุข ปราบจนสิ้นอายุไขขอให้ชาติหน้าได้เกิดเป็นพรหมทั้งคู่ขอให้พระอาจารย์โปรดเมตตาแก่ดิฉันและว่าที่สามีผู้ยังมีทุลีในดวงตาอยู่หลังจากแต่งงานแล้วค่อยโปรงอสุภะเจริญปฏิกูลและสัญญาและมรณ า, านุสติค่ะถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันก็ไปเป็นพรหมไม่ได้เนย การจะเป็นพรมนี้ต้องแยกกันอยู่ต้องถือศีลแปต้องอสื่อศีลพรหมจันทร์แต่ถ้าอยากจะอยู่ร่วมกันแล้วตายไปก็ไปสวรรค์ก็ต้องร่วมทําบุญร่วมกันรักษาศีลห้าร่วมกันให้เสมอกันต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่ประพฤติผิดประเวณีรักรัก ร, รักกันอหัวเดียวเมียเดียวเอย่าอย่าไปรักคนอื่น ก็คือต้องมีศีลเสมอการมีทานทำทานเท่ากันอยู่ร่วมกันก็จะมีความสุขสิ่งที่จะทำให้เราอยู่กันไปตลอดลอดสั่งก็คือศีลห้านี่แหละโดยเฉพาะศีลข้อสามเราต้องไว้ใจกันเชื่อใจกันเชื่อว่าทั้งสองฝ่ายมีศีลข้อสามนี้เต็มบริบูรณ์อยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ด้วยกันหรืออยู่ห่างกัน ก็จะรักษาศีลข้อนี้ยิ่งกว่าชีวิตถ้าทั้งสองฝ่ายมีศีลข้อนี้แล้วชีวิตของชีวิตคู่ครองก็จะมีความสุขได้ถ้าไม่มีศีลข้อนี้รับรองได้ว่าแต่งกันไปแล้วจะไม่มีความสุขจะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจข้อที่สองพระอาจารย์กล่าวว่าใจของพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์เป็นใจวิมุตติ แต่ใจของปุถุชนเป็นใจสมมุติดิฉันขออธิบายตามความเข้าใจว่าใจวิมุตติคือพุท ธ, ธะจิตว่างจิตเดิมแท้ใจบริสุทธิ์ส่วนใจสมมุติคือจิตในอภิธรรมวิญญาณขันดิฉันเข้าใจถูกต้องไหมคะคือจิตที่อยู่ในสมมุติก็คือจิตที่ยังหลงอยู่กับราภยศสรรเสรหลงอยู่กับ ความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายอยู่จิตวิมุตตก็คือจิตที่หลุดพ้นจากการาติดอยู่กับความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางตาหูจมูกเล้นกายนี่เองข้อที่สามดิฉันเห็นธรรมมมีให้เรียนรู้มากมายทั้งพระอภิธรรมวิถีจิตกายยะคตาสติมรนานุสติ ปฏิกูลอสุภะพุทธานุสติพมวิหารการเจริญฌานญาณกระสและอื่นๆการที่เราจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เราต้องเรียนรู้ทุกอย่างเลยหรือไม่คะก็อย่างที่ได้เทศวันนี้คือเรียนเป็นขั้นๆไปขั้นต้นเราก็เรียนเรื่องฐานเรื่องศีห้าไปก่อนทำทานรักษาสีห้าให้ได้ไปก่อน เมื่อได้แล้วเราก็ขยับขึ้นสู่ศีลแปดสู่การภาวนาพอเข้าสู่การภาวนาก็ต้องรู้จักการเจริญสติเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบให้ใจมีพลังมีความสุขเมื่อมีพลังมีความสุขแล้วก็ใช้ใจที่มีพลังมีความสุขนี้ออกมาศึกษาความเป็นจริงของสิ่งที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วย เช่นร่างกายของเราก็ต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็พิจารณาร่างกายของคนอื่นให้เห็นว่าไม่สวยไม่งามเพื่อเราจะได้ไม่ไปติดไปเกิดความทุกข์อยากจะไปอยู่กับเขาเพราะว่าอยู่กับเขาแล้วก็จะต้องทุกข์เพราะว่าไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีการพัดพาจากกัน เพื่อมีการทะเลาะบอกแวงกันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันความสุขที่ได้จากการอยู่ร่วมกันก็จะกลายเป็นความทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์ก็ต้องพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่เราจะได้ไม่อยากจะอยู่กับใครเพื่อที่เราจะได้อยู่คนเดียวมีความสุขแบบอยู่คนเดียวดีกว่าดังนั้นการปฏิบัติทําการศึกษาธรรมนี้ควรจะทําเป็นขั้นๆไป ไม่จําเป็นจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงขั้นสูงสุดแล้วค่อยมาปฏิบัติเราปฏิบัติไปถึงขั้นไหนแล้วเราค่อยไปศึกษารายละเอียดของท่านนั้นไปตอนนี้เราทําทานแล้วก็ศึกษาเรื่องทานว่าเราทําทานเพื่ออะไรอย่างที่วันนี้บอกทําทานเพื่อละเอะความตนีละความโลภละความอยากจะใช้เงินซื้อความสุขต่างๆแล้วก็สร้างความเมตตาให้กับจิตใจด้วยการ ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันความสุขให้แก่ผู้อื่นแล้วก็จะได้มีเวลาไม่ต้องไปหาเงินหาทองใช้เงินใช้ทองอาจจะได้มีเวลามาปฏิบัติธรรมขั้นสูงคือรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลภาวนาได้เนี่ยนี่คือขั้นต้นขอให้ทำอะไรอย่างนี้ให้ได้ก่อนทําทานให้ได้ทุกวันก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อน แล้วก็มารักษาสิ่งแปดรักษาศิ่งแปดก็ต้องรู้ว่าสิ่งแปดมีอะไรบ้างก็ศึกษาไปเอาทีละขั้นเนี่ยขั้นวิปัสสนาขั้นอะไรวิมุตต์มรรคผลนิพพานนั้นยังไม่ต้องไปศึกษารายละเอียดมากนะักให้รู้ข้าวๆก็พอถ้าอยากจะรู้ว่าจุดสูงสุดเป็นอะไรแล้วค่อยแต่ถึงเวลาแล้วค่อยเรียนไปเหมือนกับเราเรียนพอเราอยู่ชั้นอนุบาลแล้วก็หัดน้ำหนึ่งสองสามหัดท่องกอไก่ขอไข่ A B C ไปก่อน พอเราอยู่ปอนหนึ่งเราก็ค่อยอหัดสะกดหัดบวกลบคูณหารค่อยๆก้าวขึ้นไปตามลําดับขั้นของการศึกษาของการปฏิบัติไม่ต้องไปเรียนรู้พอเริ่มมนุบาลก็จะไปรู้ระดับปริญญาเอกเลยว่าต้องเรียนอะไรบ้างต้องรู้อะไรบ้างมันไม่จําเป็นงั้นขอให้เราอยู่ที่ขั้นของเราศึกษาที่ขั้นของเราปฏิบัติที่ขั้นของเราไปก่อน แล้วมันก็จะพัฒนาขึ้นไปเองตามลาดับต่อไปคาถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามมีลูกชายอายุ8ขวบซนมากอยากให้เข้าวัดควรทำอย่างไรคะก็ต้องตัดความอยากของแม่ไปก่อนต้องดูความอยากของลูกว่าเขาอยากอะไรถ้าอยากให้ลูกเข้าวัดแต่เขาไม่ยอมเข้ามันก็เข้าไม่ได้นอกจากว่าเรา ถ้าอยากให้เขาเพ้าเข้าวัดเราก็พาเขาเข้าวัดถ้าเขายังต้องไปกับเราอยู่เขาก็จะไปกับเราอยู่แต่ถ้าต่อไปเวลาเขาโตแล้วเราเข้าวัดถ้าเขาไม่อยากเข้าวัดเขาก็ไม่เข้าอยู่ดีอังนั้นอย่าไปอยากให้เขาเข้าวัดเพราะความอยากจะทำให้เราทุกข์ไปเปล่าๆแต่ถามว่าอยากให้เขาเข้าวัดดีหรือเปล่าดีเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าเราสามารถทาให้เขาเข้าวัดได้หรือเปล่าเขาอยากจะเข้าวัดหรือเปล่า ถ้าเราไม่สามารถแล้วเขาไม่อยากเข้าอยากไปก็จะทุกไปเปล่าๆคำถามต่อไปจากมีผู้ฝากถามหากนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจจนกระทั่งลมหายใจหายไปเหลือแต่รู้สึกรู้กับความสว่างโล่งๆไม่ทราบว่าจะให้กำหนดอะไรต่อแล ะ, และก็กำหนดตัวรู้ไปให้อยู่กับตัวรู้ไปอยู่กับผู้รู้ไป และจะพิและจะพิจารณาอะไรให้รู้สึกว่าจิตจิตใจไม่ใช่ตัวตนไม่ต้องพิจารณา ใ, ห, ให้รู้เฉยๆเวลานี้เวลาที่อยู่ในสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะรู้อะไรทั้งนั้นให้รู้เฉยๆให้อยู่นิ่งๆให้อยู่ในความสงบให้มีอุเบกขาเวลาจะพิจารณานี้ต้องรอออกมาจากสมาธิก่อนแล้วค่อยพิจารณาพิจารณาร่างกายว่า ไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ต้องไปพิจารณาจิตจิตไม่มีปัญหาที่มีปัญหานี่อยู่ที่อยู่ที่ร่างกายพิจารณาร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพ ja ื่อเราจะได้ปล่อยมันจิตนี้เราไม่ต้องไปพิจารณาเพราะมันอยู่กับเราตลอดเราจะไปพิจารณาง่ายแล้วก็ปล่อยมันไม่ได้อยู่ดีดังั้นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยก็คือร่างกายเพราะถ้าเราไม่ปล่อยเราจะทุกข์กับร่างกายถ้าเราปล่อยแล้วเราจะไม่ทุกข์กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม ของเราก็ต้องปล่อยของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของญาติสนิทมิตรสหายของลูกของใครก็ตามก็ต้องปล่อยหมดถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาคำถามต่อไปจากคุณนัทวัตรจิตกับใจเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเหมือนกันเป็นภาษาที่เราทดแทนใช้ทดแทนกันจิตกับใจแต่บางทีเขาก็แยกว่าจิตเป็นผู้คิดใจเป็นผู้รู้แต่บางทีก็สลับกันได้ ใจเพ่ใจเป็นผู้คิดก็ได้จิตเป็นผู้รู้ก็ได้ยันมันเป็นตัวเดียวกันแต่มันมีสองหน้าที่ในในใจนี้ใจใจมีทั้งผู้รู้มีทั้งผู้คิดผู้คิดนี่เรียกเป็นอาการของใจผู้รู้นี่เป็นตัวใจคำถามต่อไปจากคุณอันโดอันนกในกรณีที่ผู้ใหญ่เข้าไปตัดสินใจแทนคู่กรณีด้วยความลำเอียง ทำให้อีกฝ่ายแทบหมดตัวเขาจะได้รับโทษที่เป็นกรรมแบบเดียวกันใช่ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับเขาทำด้วยความยุติธรรมหรือไม่ถ้าเขาทำด้วยความํำเอียงมันก็มันก็จะมีผลกับผู้การกระทาของเขาต่อไปในอนาคตเขาอาจจะต้องถูกตัดสินก็จะถูกผู้อื่นเขาตัดสินํำเอียงไปตออี ก, อ, กอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้คำถามต่อไปจากคุณอย่าหลอกตัวเองนะต้องเป็นทุกคนไหมครับ เวลาที่พิจารณานำ ม, มาทำผ่านแล้วจิตจะสว่างสวัยตลอดเวลาผมรู้ว่าจิตตัวเดียวที่ไปหลงกล้าก็ว่าเรากล้ากลัวก็ว่าเรากลัวสุขทุกข์ก็เราหมดหลงยึดหลงถืออยู่คนเดียวนี่แหละตัวสุดท้ายเราตัวนี้คือจิตนี้เองครับคืออาวิชาตัวจริงเสียงจริงมันขึ้นมาแบบนี้เลยครับ ทุกวันนี้ผมก็พิจารณาตัวนี้แต่จิตไม่สว่างสวัยเหมือนที่หลวงตาว่าครับผมเลยอยากถามว่าผมมาถูกทางไหมครับผมเป็นพระครับคือมันจะสว่างสวัยหรือไม่นี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญสำคัญอยู่ที่ว่ามันทุกข์หรือไม่ทุกข์ให้ดูที่ตรงนั้นมากกว่า ถ้ามันไม่ทุกข์ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้ามันมีทุกข์ก็ต้องหาสาเหตุของความทุกขนะ์และและเหตุของความทุกข์นั้นได้มันก็จะสงบมันก็จะไม่ทุกข์ส่วนจะสว่างสวยนี้มันก็เป็นเป็นเรื่องของจิตนั่นแหละเราอาจจะไม่ถึงขั้นของท่านก็ได้เราอาจจะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าอาหารหันตนกุฏก็ได้ คือเราคิดไปเองว่าเราอยู่ถึงขั้นนั้นแล้วถ้าเราทำไ ม, ไม่สว่างก็เพราะว่ามันยังไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่คิดว่าถึงเท่า น, นั้นเองคําว่าคิดว่าถึงกับคําว่าถึงนี้มันไม่เหมือนกันดังนั้นยังไม่ต้องไปกังวลการปฏิบัตินี้เป้าหมายที่แท้จริงก็เพื่อการละความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจดังนั้นถ้าละความทุกข์ได้ถึงแม้มันจะไม่สว่างมันจะมืดก็ดีก็มไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มันอยากทุกข์ก็แล้วกัน คำถามต่อไปจากคุณเก๋ดิฉันชอบนั่งสมาธินานๆแต่แม่ไม่ชอบให้นั่งเขาบอกว่าสมาธิมาปัญญาเกิดแล้วสติก็จะตะเละเตะเลยไปเลยเขากลัวดิฉันสติแตกกรณีนี้ดิฉันจะบาปไหมคะที่ทําให้แม่ไม่สบายใจแกบอกว่าแกเป็นห่วงดิฉัน อย่างวันนี้โทรไปบอกว่าจะไปปฏิบัติธรรมสัก3ามวันจะปิดมือถือแม่ก็บอกว่าอยากไปนั่งสมาธินะก็เลยบอกแม่ไปว่าไม่นั่งหรอกไปปฏิบัติธรรมเฉยๆไม่ต้องเป็นห่วงดิฉันจะบาปไหมคะที่ต้องโกหกและทำให้ท่านไม่สบายใจขอพระอาจารย์ช่วยไขยข้อข้องใจให้ด้วยค่ะไม่บาปหรอกเพราะว่าแม่มีมิจฉาทิฐิมีความเข้าใจผิด เพราะว่าการไปนั่งสมาธิการไปปฏิบัติธรรมนี้เป็นการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจแม่ควรจะอนุโมทนาควรจะยินดีแต่เมื่อแม่ไม่อนุโมทนาไม่ยินดีเราก็โกหกเพื่อที่แกจะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปตามความเห็นที่ผิดนั้นไปงั้นการโกรหกเหมือนนี้ท่านเรียกว่ากุศโลบายคำถามต่อไปจากคุณกอล์ฟข้อแรก เรื่องการภาวนาช่วงหลังผมจะจดลงสมุดเวลานี้วันนี้นั่งไปกี่นาทีแต่ก็ไม่ได้กังวลกับตัวเลขเก็บสถิติเพื่อให้เราได้ขยันอย่างนี้สมควรไหมครับทำอะไรก็ทำให้เรามีฉันทาวิริยะก็ทำไปเถิดถ้าทำแล้วทำให้เราอยากจะปฏิบัติมากขึ้นก็ทำไปเลยข้อที่สองพระอาจารย์พูดเสมอว่า จ ja ma e ิตว่างพอจะทราบแล้วครับว่าว่างเป็นอย่างไรเมื่อก่อนรักษาศี่ห้าทำสมาธิจะรู้สึกอีกแบบครับกับพระอาจารย์ชี้แนะครับน่าจะเป็นเรื่องจิตว่างอะค่ะก็พยายามพุทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดถ้าตามได้ยังพุทโธได้อยู่ก็พุทโธไปไปจนกว่าจิตมันจะหยุดมันจะว่างแล้วพุทโธก็จะหายไปเองถ้าไปถึงความว่างแล้วพุทโธก็ต้องหาย ถ้ายังมีพุโทโธอยู่ก็ยังแสดงว่ายังไม่ว่างจริงพุโทโธไปเรื่อยๆ เ, เวลามันว่างมันจะเหมือนตกหลุมตกบอ่อตกเหวแล้วก็นิ่งสงบสบายถึงตอนนั้นก็พุโทโธก็หายไปหยุดได้ข้อที่สามเรื่องศีลอาทิตย์ที่ผ่านมาเริ่มถือศีลมากกว่าห้าข้อโดยเพิ่มทีละข้อพอได้สองวันก็เพิ่มอีกจนเกือบครบแล้ว เรื่องอาหารท้องจะร้องก็บอกใจเราไม่หิวก็รู้สึกเบาใจแต่เครื่องหอมยังละไม่บริบูรณ์เรื่องดูการละเล่นก็งดอยากทราบว่าศีลที่รักษาผมทราบแต่เพียงว่าเป็นประโยชน์และอนุเคราะห์แก่พรหมจันย์ทำสมาธิได้ง่ายผมรู้อย่างนี้ก็พอใช่ไหมครับถูกแล้ว ก็มีเป้าหมายตรงนั้นเพื่อที่ให้เราจะได้มีเวลามาทำกิจที่ควรจะทำก็คือการภาวนานี่เองข้อที่สี่เดี๋ยวนี้การทำบุญสะดวกอยู่หน้าคอมก็สามารถทำบุญได้จะถามเรื่องค่าธรรมเนียมเวลาเราทำบุญโดยหักเงินในบัญชีเป็นส่วนของบุญไหมครับเหมือนเรานั่งรถไปทำบุญ อันนี้ส่วนไหนเป็นบุญทราบว่าการทำบุญคือการสละการบริจาคแล้วเกิดว่าเวลาแล้วเกิดว่าเวลาทำทานผ่านระบบธนาคารถ้าบัญชีนั้นไม่ปิดจะโอนแบบสองวันทำการธนาคารซึ่งเก็บค่าธรรมเนียมน้อยกว่าเพราะคิดว่าเอาค่าธรรมเนียมไปทำบุญดีกว่าและเสียดายเงินนั้นอย่างไหนควรทำและอย่างไหนควรละครับ ทำย่างไรก็ได้ขอให้เราเสียเงินนั้นไปก็จบคำถามต่อไปจากคุณกนิ t h เวลานั่งสมาธิเวลาสงบไม่ให้คิดเรื่องอื่นให้บริกรรมพุทโธสักระยะหนึ่งจะขนลุกขนพองเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างหลังเกิดความกลัวก็เลยออกจากสมาธิหลังๆเลยติดการนอนสมาธิ ความกลัวน้อยลงจะเปิดเทศในยูทู e ฟังแต่ก็ยังยึดคำบริกรรมพุดโทมีคือหนึ่งแบบโทรศัพท์หมดเสียงเทศหายไปแต่ไม่ได้สนใจเพราะตอนที่มันสงบไม่เดือดร้อนไม่ต้องคิดอะไรสักพักได้ยินเสียงพระเทศดังมากข้างหูพอตั้งใจฟังเสียงกลับเงียบหายไป หลังจากนั้นก็เกิดความกลัวจะออกจากสมาธิแต่เหมือนจะออกไม่ได้สุดท้ายก็ออกเพราะกลัวมักฝันว่าไปเมืองโบราณฝันว่าตัวเองตายบ้างความฝันมีทุกวันอยากถามพระอาจารย์ว่าดิฉันควรจะยึดปฏิบัติสมาธิอย่างไรไม่ให้จิตฟุ้งซ่านแบบนี้ถ้ามันฟุ้งซ่านก็เรียกว่าไม่เป็นสมาธิแล้ว ถ้าเป็นสมาธิมันต้องสงบนิ่งปราศจากความคิดปรุงแต่งและเวลานอนหลับมันก็มักจะไม่ฝันอย่างนี้แสดงว่านั่งสมาธิยังไม่ได้ผลสติยังไม่มีกำลังมากพอที่จะหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆจึงทำให้จิตนี้ฟุ้งซ่านในขณะที่ไม่ได้หลับและขณะที่หลับก็ทำให้ฝันกับเรื่องราวต่างๆนานาแสดงว่าการภาวนาของเรานี้ยังไม่ได้เรื่อง เพราะสติเรายัางไม่ดีเฉั้นพยายามหัดฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งพยายามฝึกทั้งวันไม่ว่าเราจะทําอะไรให้มีสติอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่กับพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆอยู่กับร่างกายก็เฝ้าดูการร่างกายการกระทําของร่างกายในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวอย่าส่งให้ใจไปคิดเรื่องอื่นแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะได้เข้าสู่ความว่างความสงบได้ ลละเวานนนอหัับก็จไม่ฝคำถามต่อไปจากคุณแบ๊กการบวชพระการถือศีลแปดการสวดมนต์นั่งสมาธิวิปัสสนาสิ่งเหล่านี้ช่วยแก้ไขกรรมหนักให้เป็นเบาหรือตัดกรรมไปเลยได้หรือเจ้าคะเห็นหลายคนทาแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าทุกคนเกิดด้วยกรรมอยู่ด้วยกรรมไม่มีใครหนีพ้น ตัวดิฉันเองเข้าใจว่าการทำสิ่งข้างบนเป็นการทำให้เกิดปัญญาเข้าใจกรรมจะได้ยอมรับผลของกรรมไม่ทุกข์ร้อนเมื่อกรรมแสดงผลความเข้าใจนี้ถูกต้องหรือไม่คะคือเรื่องของกรรมนี่เราทำไปแล้วเราตัดมันไม่ได้มันจะต้องส่งผลอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วท่านั้นเองแต่วิธีที่เราจะไม่ต้องรับผลกรรมก็มีอยู่ก็คือการไม่กลับมาเกิด ถ้าเราไม่เกิดมันกรรมก็ไม่สามารถที่จะ เ, เกิดกับเราได้อันนี้เป็นวิธีอของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายพอท่านบรรลุถึงพระนิพพานแล้วท่านก็ไม่กลับมาเกิดกรรมต่างๆไม่ว่าดีหรือชั่วท่านก็ไม่รับมันไม่ต้องรับมันอีกต่อไปเพราะไม่มีผู้รับผู้รับคือร่างกาย และจิตใจที่อยู่กับร่างกายนั้นถ้ายังมีการเกิดอยู่ถ้าอยากจะบรรเท า, เาการการาวิบากกรรมก็คือเราสามารถบรรเทาได้ทางจิตใจคือจิตใจของเร า, เาไม่เดือดร้อนกับมันได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางทำจิตใจเราให้เป็นอุเบกขาอะไรๆจะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เพียงแต่ร่างกายแต่มันจะไม่เข้ามาในใจ เพราะใจเรามีอุเบกขาคุ้มครองไว้ถ้าเราไม่มีอุเบกขาเวลาอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายใจเราก็จะปวนจะวุ่นวายไปกับร่างกายด้วยมันก็จะโดนสองต่อโดนที่ร่างกายแล้วยังมาโดนที่ใจอีกต่อหนึ่งแต่ถ้าใจเรามีเกราะคุ้มกันมีอุเบกขามีความสงบมีปัญญาใจของเราก็จะไม่รับผลของกรรมที่เกิดขึ้นกับร่างกายกรรมมันก็อยู่ได้แค่ร่างกาย เช่นพระโมคคัลลานะนี่ท่านเป็นพระอาหารหันต์ท่านยอมตายเพราะท่านยอมรับว่ามันเป็นวิบากของท่านที่จะต้องมีที่จะต้องถูกคนเข้าฆ่าตายท่านก็ไม่ใช้อิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ของท่านไว้หนีกรรมอันนี้ท่านบอกหนีวันนี้ไปพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่กรรมนี้มันเป็นเหมือนเงาตามตัวตราบใดที่มันยังไม่ส่งผลมันก็จะตามเราไปอยู่เรื่อยถ้าอยากจะให้มันหมดก็ต้องให้มันส่งผลให พอมันส่งผลแล้วมันก็จะหมดไปเพรนั้นสำหรับผู้ที่มีใจที่มีปัญญามีอุเบกขาท่านจะไม่เดือดร้อนกับวิบากกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับท่านเช่นพระพุทธเจ้าไม่เดือดร้อนกับการที่พระเทวทัตจะพยายามโปรงพระชนถึงสามครั้งใจของพระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นไหวไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายเป็นปกติแต่ถ้าเป็นใจของพวกเรานี้พอรู้ว่ามีคนจะมาตาม ถ้าเราเท่นี้เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับแล้วเราโดนสองต่อบางทีร่างกายยังไม่ทันโดนใจเราโดนไปก่อนแล้วพอรู้ว่ามีคนจะมาฆ่าเรานี้เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ อ, อกขวัญสันแขวนไปแล้จใจของพระอาหารหันต์นี่ท่านเฉยๆท่านไม่เดือดร้อนท่าไม่เป็นกระต่ายตื่นตูมเราให้มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นก็ก็รับมันไปปล่อให้ร่างกายมันรับไป ท่านก็พิจารณาปล่อยวางร่างกายแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวท่านท่านก็ไม่เดือดร้อนแทนร่างกายนี่ก็คือวิธีที่เราจะใช้สู้กับการรับวิบากกรรมต่างๆถ้าเรายังเกิดอยู่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่อย่างพระพุทธเจ้าอย่างพระมวกรลานะคำถามต่อไปจากคุณกนกสีเห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ คำว่าสักแต่ว่ารู้ในความหมายนี้กับคำว่าสักแต่ว่ารู้เมื่อจิตเข้าสู่อัปปนาสมาธิเป็นอุเบกขานั่นจิตจะเข้าสู่สภาวะเดียวกันหรือไม่เป็นความหมายเดียวกันหรือไม่คะอันเดียวกันอันเดียวกันเราถึงต้องเข้าไปในสมาธิเพื่อเราจะได้รู้จักตัวสักแต่ว่ารู้ว่าเป็นอย่างไรพอเราออกจากสมาธิมาเราก็รักษาตัวนี้ไว้ต่อไปด้วยปัญญา อะไรมากระทบก็ให้สักแต่ว่ารู้อย่าไปตื่นเต้นตกใจอย่าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราไปห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แก้เขาไม่ได้ผลจะตกแดดจะออกนี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้เราไปวุ่นวายก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรสู้เฉยๆดีกว่าสักแต่ว่ารู้ไปดีกว่าคำถามที่เหลือขอยกไปพรุ่งนี้ค่ะ โอเคก็ okay. วันนี้คำถามก็มากพอสมควรเวลาก็หมดแล้วก็ขอให้ญาติโยมจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิสพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอด